พุทวธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการของเราเริ่มต้นกันแต่ละสัปดาห์ที่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็มาถึงวันศุกร์แล้วนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นวันใดก็แล้วแต่รายการเราก็ยังมุ่งเน้นการที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงพุทวธชนะธรรมวินัยจากพุทธโอดฐ์หรือว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระาศาสดาซึ่งเราจะได้ทราบกันนะคะว่าดีอย่างไรถึงได้ เป็นศาสนาที่มีอายุยาวนานมาจนถึงวันนี้นี่เกือบจะ 3,000 ปแีแล้วเราก็ไม่เสียโอกาสนะคะที่จะได้เข้าถึงคำสอนกันจริงจงจังๆเวลาเล็กเวลาน้อยค่ะมีส่วนของการปฏิบัติด้วยนะคะในรายการนี้โดยในช่วงแรกของรายการก็จะมีพระมาร์ชาคาวโรวัดนาประพงลำลูกกาคลองสิบนะคะที่ท่านจะมานาการปฏิบัติด้วยแล้วก็ให้ทุกท่านที่มีโอกาสเข้าถึงพระสูตรเต็มๆด้วย นมส ก, การกับท่านค่ะเจริญพรเช้าวันนี้เราก็มาเข้าใกล้ชิดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาเจริญอาณาปานาสติทำความเพียรผอกิเลสทำจิตให้หลุดพ้นแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระองค์แนะนำให้มุตทั้งหลายที่เกิดมาแล้วได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วควรแสวงหาคือสแสวงห า, าผลนิพพาน เพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่ต้องเกิดเราก็ไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่สุดนั่นคือความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายเพราะหากเราต้องเกิดอีกเราก็จะต้องตายอีกและเกิดแก่ตายไปจนตลอดอนันตกาลหาที่สุดจบไม่ได้พระองจึงให้เรามาแก้ปัญหาความแก่เจ็บตาย และอุปกรณ์ในการที่จะแก้ปัญหาความแก่เจ็บตานี้ก็คือการที่เราใช้กายกับใจของเรานี้เองและมาเจริญอาณาปานสติทาความเพียรพอกิเลสกันตามแบบที่พระองค์ได้บอกสอนไว้คือเรานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก หายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้เข้าสั้นออกสั้นก็รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าและหายใจออกทำกายสังขารคือความปรุงแต่งทางกายให้รำงับอยู่หายใจเข้าและหายใจออกหากจิตลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามความสุขความทุกข์ อดีตอนาคตพระองค์งก็ให้เรารีบวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทิแล้วกลับมามีสติแล้วรกรู้อยู่กับลมหายใจในวันนี้จะนำพระสูตรที่พระองค์งตัดไว้ว่าแม้เพียงประตงมาชาญคือชาญที่หนึ่งก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นจากภัยของมาร อะไรเรื่องที่ว่าด้วยอนิสง์ของการหลีเกเ้นมาให้ฟังกันโดยพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่มานจะไม่ทำอะไรได้ภิกษุทั้งหลายแม้มานผู้มีบาป ก็คิดอย่างนี้ว่าในการนี้ภิกษุมีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับผู้กลัวอยู่เราจะทำอะไรไม่ได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีเกเ้นเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในความหลีเกเ้นจงเป็นผู้ตามประกอบเจโตสมัะในภายในมีฌานอันตนไม่ละเลยประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนความยินดีในสุญญาคารคือเรือนว่างเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อประพฤติกระทำเช่นนี้อยู่ ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสองเป็นอันเธอหวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือว่าถ้ายังมีอุปัติเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีดูก่อเพิกสูตรทั้งหลายกิจอันใดที่สาสดาผู้เอนดู สแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายนั่นคคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพียรพงกิเลศอย่าได้ประมาท อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่และวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแ ด, ด่เธอทั้งหลายดังนี้แลเพราะฉะนั้นหากเราอยู่ในปฐมฌานเมื่อเจริญอาณาปานาสติจนไม่มีความคิดในกามความคิดในทางอากุศลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่า นั่นเป็นที่ที่มานไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วและพระองค์ก็ชี้ชวนให้เรานั้นยินดีในความหลีกเลนประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนายินดีอยู่ในเรือนว่างเพราะเมื่อกระทาเช่นนี้อยู่เป็นประจาเราก็สามารถหวังความเป็นอรหัต h ผลหรือความเป็นอนาคามีผลได้ในปัจจุบันนี้เทียวเพราะเมื่อได้สิ่งเหล่านี้ การเกิดของเราก็จะมีขีดจำกัดและอาจจะนำไปสู่ความที่จะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปภายในภพนี้ชาตินี้เลยก็ได้นลกก็ให้เราตั้งความเพียรพอกเกลียดอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจริญอาณาปานสติและสัง颂ผู้ตัวชนะกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะเท่ากับว่า สิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องละให้ได้คือการพยาบาทเบียดเบียนกิเลสทั้งหลายใช่ก็คือความคิดในทางอากุศลธรรมหรือความคิดที่เพลิดเพลินไปในตาหูจมูกลิ้นกายะะและความคิดนี้ได้ก็จะเข้าไปสู่ฌานที่หนึ่งค่ะก็ลองฝึกกันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เราจะไม่ได้พบกันเราก็กลับมามพบกันอีกทีหนึ่งในวันจันทร์ท่านมาร์กหรือว่าพระมาร์กชาคาวโรโอจะนําเอาพระสูตรกลับมานําท่านเข้าสู่การปฏิบัติ ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัต์นี้ก็ต้องกราบน้ำศ ก, การพระคุณเจ้าไว้เป็นอย่างยิ่งณโอกาสนี้คะ่ะน้ำศ ก, การค่ ะ, ะเจริญพร